พวกเราถ้าจะคบเพื่อนนี่อยากจะคบเพื่อนรวยรวยบ้างหรือเปล่าน ะ, ะถ้าอยากจะคบเพื่อนรวยโดยเพราะที่รวยกว่าเรานี่มันก็มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจนะงันมีอาจารย์ที่มหาลัยชิคาโกในสหรัฐเขาสอบถามความเห็นผู้คนประมาณสามพันกว่าคนอายุตั้งแต่30สกว่าจนถึง50กว่าก็ให้ถามอะไรบ้างนะถามให้แต่ละคนนี่ ไอ้คะแนนสุขภาพของตัวว่าสุขภาพของตัวเองถ้าเต็มเสร็จนี่คิดว่าสักเท่าไหร่3หรือ5หรือ6หรือ7หรือ8นะแล้วก็ให้ระบุโรคประจำตัวด้วยแล้วก็ให้ให้พูดถึงสถานภาพทางการเงินของตัวเมื่อเทียบกับคนในแวดวงของตัวเช่นมีมากกว่ามีน้อยกว่ามีเท่ากันอะไรทนองนั้นนะ แวดวงของตัวนี่มีใครบ้างก็ไม่ต้องบอกแต่เพียงแต่พูดว่าเนี่ยการเงินของตัวเองเนี่ยมันสูงเท่าหรือว่าต่ำกว่าคนในแวดวงที่คบหากันเราก็ได้พบพ่อสรุปอันหนึ่งนะก็คือว่าคนที่คบเพื่อนที่รวยกว่าตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติยี่สกเอร์็นนะ ยี่สิบเปอเซ็นต์อาจจะดูเหมือนไม่ไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่น้อยเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทำไมนะถึงคบเพื่อนทำไมถึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าถ้าหาว่าคบเพื่อนที่มีฐานะการเงินสูงกว่ารวยกว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเออถ้ามีเพื่อนรวยก็ดีนะจะได้พึ่งพาสายได้หรือว่าจะได้อ่ กินฟรีอยู่ฟรีหรือว่าได้มีคนเลี้ยงดูปูเสือไดอ้มากกว่าแต่จริงแล้วนี่มันอาจจะมีผลอีกแง่หนึ่งที่นึกไม่ถึงก็ได้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยพอถึงแม้จะมีเงินมากก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าฉันมีเงินน้อยกว่า นะถึงแม้จะเป็นเศรษฐีร้อยล้านนะแต่ถ้าคบกับเศรษฐีพันล้านเนี่ยก็คงจะรู้สึกไม่สบายใจว่าฉันมีเงินน้อยกว่าเขามันมีความรู้สึกเปรียบเทียบกันให้ความรู้สึกเปรียบเทียบว่าฉันมีน้อยกว่านี่ก็ทําให้เกิดความเครียดนะให้ความเครียดนี่ก็เป็นต้นต่อของโรคหัวใจนะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีเงินมากหรือน้อยนะ ถึงแม้มีเงินน้อยแต่ว่าคบกับคนที่มีเงินน้อยกว่าเราก็อาจจะไม่มีอาการแบบนี้ก็ได้แต่ถึงแม่รวยแล้วคบคนที่รวยกว่านี่เป็นทุกข์นะทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่เขาสรุปจากคนอเมริกันคนไทยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็มีนาโนบจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเพราะคนไทยทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เพียงแค่อยากจะรวยเท่านั้นนะ แต่อยากจะรวยกว่าผู้คนนี่ไม่ได้คิดอยากจะรวยนะถ้ารวยแล้วแต่คนอื่นรวยกว่า น, นี่ก็ไม่ชอบนะรวยอย่างเดียวไม่พอต้องรวยกว่าด้วยนะเพราะถ้ารวยกว่า mm hmm. ก็าจะทำให้รู้สึกว่าเออเราเราสบายใจแต่ถึงแม้เรารวยแล้วคนอื่นเขารวยกว่าเราเพื่อนก็ตอนมีเงินเดือนล้านแต่เพื่อนก็มีเงินเดือนเงินสิล้านนิว จบโรงเรียนเดียวกันนะจบหมหาวเทยาลัยเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่เขารวยมากกว่าเราก็คงไม่มีความสุขเท่าไหร่อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทยจนวนไม่น้อยนะเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่สรุปจากคนอเมริกันนะแต่ว่าคนไทยก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าถ้าคบเพื่อน หรือยากพี่น้องก็ได้นะเอาพูดง่ายคือแวดวงนะถ้าว่าเขารวยกว่าก็จะมีโอกาสเครียดมีโอกาสทุกข์นะแล้วก็เจ็บป่วยได้ง่ายถ้าเรามองให้กว้างออกไปเนี่ยคงไม่ใช่แค่คบเพื่อนที่รวยกว่าเท่านั้นนะแต่หาว่าคบเพื่อนที่สวยกว่าคบเพื่อนที่หลอกว่าก็อาจจะเครียดได้เหมือนกันนะ เพรเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงแม้สวยแค่ไหนนะแต่ถ้าคนอื่นสวยกว่าเราก็ไม่มีความสุขนะก็จะรู้สึกว่าตัวเนี่ยมีตําหนิมีตําหนิหนั่นมีตําหนิหนี่มองเห็นแต่ข้อตําหนิของตัวฉะนั้นที่ตัวเองก็สวยทั้งที่ตัวเอ น, ก, เนก็นาตาดีอย่างเราคงจะพบว่าหลายคนเนี่ยถึงแม้ว่านารูปร่างก็เพรียวนะแต่เพราะยังสวยเขาอ้วนอยู่นะต้องลดความอ้วน ต้องลดน้ำหนักให้มากกว่า น, นี้ก็เลยเกิดประเภทคนที่เป็นโรคมีปัญหาด้านการกินนะมีปัญหาด้านการกินก็คือว่าไม่อยากจะกินอาหารเพราะวตัวเองอ้วนไปแล้วนะแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นรูปร่างเหมือนกับไม้เสียบทนะีภาษาโบราณนะเรว่าไม้เสียบทีคือผอมมากนะ นางแบบจํานวนมากนีนก็ผอมมากเพรารู้สึกว่าตัวเองนี้ยังผอมไม่พออันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากนะที่รู้สึกว่าตัวเองยังสวยไม่พอทั้งในทีตัวเองก็สวยแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่ท่ามกลางคนที่รูปร่างหน้าตา ค, คขี้เลื่อยเขาคงจะไม่มีความทุกข์เท่าไหร่เพราะสุดที่เที่ยวโอชันคือนางฟ้า เอาคนทุกวันนี้ทุกข้อการเปรียบเทียบมากนะไม่ว่าเปรียบเทียบในแง่ของเศรษฐกิจเปรียบเทียบในแง่ของรูปร่างหน้าตาความเก่งหรืออาจจะเปรียบเทียบแง่ความดีด้วยซ้ำนะแต่ว่าเปรียบเทียบความดีนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเห็นได้วัดได้ด้วยสายตาหรือตัวเลขเนะช่นความร่ํารวยนะก็เปรียบเทียบจากการมีบ้านหลังใหญ่มีรถหลายคันราคา หลายสิบล้านแต่ละคันแต่ละคันว่าความสวยความหลอ่อความเก่งก็อาจจะเปรียบเทียบกันได้จากดูจากตำแหน่งสถานภาพอันนี้ก็เป็นอันนึงนะคือสถานภาพเนะ่เช่นการมีตำแหน่งในในในหน่วยงานในองค์กรเป็นผู้จัดจา ก, การเป็นอธิบดีเป็นตําลวจกระทรวงเนี่ยใครที่มีเพื่อนที่ มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่ามีตำแหน่งการงานสูงกว่านี่ก็ทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่เบานะตัวเองก็อาจจะเป็นระดับอธิบดีได้ซ้ำแต่เพื่อนนี่อวยขลั ก, กระทรวงรทั้งนั้นก็จะเครียดขึ้นมารู้สึกอับอายรู้สึกว่าเรานี่ด้อยกว่าเขาอันนี้เป็นปัญหาเรื่องมุมมองด้วยนะงั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหันกลับมานะ กลับมาพอใจสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแล้วก็ยินดีสิ่งที่ได้มันก็จะไม่มีความทุกข์อย่างนั้นนะเป็นเศรษฐีร้อยล้านถึงแม้จะมีเพื่อนเป็นเศรษฐีพันล้านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะว่าฉันนี่มาถึงแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วหรือว่ามีเงินเดือนเป็นหมื่นแต่เพื่อนเป็นแสนก็เป็นเรื่องของเขาฉันมีเงินเดือนเท่านี้ฉันก็มีความสุขแล้วนะเกิดมาตัวเปล่า สมัยเด็กๆก็อยากจนไม่มีเงินไปเรียนหนังสือต้องเดินต้องเดินเท้าไปเรียนหนังสือแต่เด๋ยนนี้ฉันก็มีความสะดวกสบายถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกพอใจเกิดความสันโดษได้ง่ายใครจะเขาจะรวยอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาอนุมโมทนาด้วยไม่อิจฉาเลยมีแต่มุทิตาจิตให้กับเขาการมีมุทิตาจิตการที่ไม่รู้สึกอิจฉาเขา อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งนะถ้าเราอิจฉาเขาเมื่อไหร่เราก็จะรู้สึก ด, ด้อยกับตัวเองมากทอนนั้นก็กลายเป็นดาบสองคมในด้านก็อิจฉาเขาในด้านนึงก็รู้สึกแย่กับตัวเองมันก็ทำให้เจ็บป่วยง่ายด้วยก็พูดไว้เป็นข้อคิดเตรียมรับพร